อะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเราก็ไม่เที่ยงหายใจนู่นยงไม่ควรประมาทศึกษาปฏิบัติธรรมนะมันจบมันชิ้นซะสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกากับใจเรานี่ อะไรที่เราทำได้จบไปแล้วมีบ้างไหมค <c oughs> วามหลงจบไปแล้วหรื อ, อยังความทุกข์จบแล้วหรื อ, อยังความโกรธจบไปแล้วหรื อ, อยังถ้าจริงเรา น, นี่จบไป มันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเรามีกายมีใจนี่ทำแล้วกันแล้วไปจริงที่มันทำมันแล้วไปมม่ไม่เกิดขึ้นใหม่อีกเหมือนจริงอื่นเดี๋ยวมันก็ถ้อวนไว้เหมือสร้างบ้านเสร็จแล้วระ้ยั่วใส่แต่ยังมีเสื่อมโูม จะละท่ำค่าได้แต่ว่าอาย ใ, ใจของเรานี้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่อันนี้ไม่มีเสื่อมโทรมใช้กายใช้ใจให้ได้ประโยชน์ไดยเกิดจิงเ่านี้ขึ้นมาได้เกิดจิงนี้ขึ้นมา เราจะมีกายมีใจอาสัยกายอาศัยใจนี่เป็นที่ตั้งของความรู้จักตัวคืองานของพวกเราเพื่อทำมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความกับใจที่เป็นทุกข์เป็นโทษนั้นมันจบไปเรามีชีวิตอยู่มาถึงปูณ น, นี้วันนี้เราใช้ชีวิตอย่างไรใช้กายใช้เจ อ, อย่างไร มีอาศัยกายอาศัยจมีตั้งแหงคมสตัวหรือว่าเอาไว้ทำใช้ความวมโล่วมหลงวม็บวทุกข์ควมรความโกรธจะเลเป็นังนคะันกใช่ผิด่ใช่ผิดก็ไม่มีประโยชน์ต่อกาต่อใจยิ่งเป็นทุกข์เป็นโทษต่อกาต่อใจึังมีวิธีปฏิบัติ ทำแบบที่พุทธเจ้าทรงสังสอนหลักปฏิบัติวิชากรรมฐานมีติตปันกาอยู่เป็นประจำนี่คือมาทำงานเรื่องนี้ให้มีจิตตั้งไวอาศัยกายอาศัยใจเป็นที่ตั้งของความรู้จักตัวได้จริงๆ ได้มีความรู้สึกตัวที่กายได้มีความรู้สึกตัวที่จิตใจที่อะไรที่เกิดขึ้นกับกายที่ไม่ใช่สติจะได้เปลี่ยนเป็นสติหรือรู้สึกหรืะลึกได้อะไรที่เกิดขึ้นกับใจที่เหมนเช่สติใจได้เปลี่ยนเป็นสติให้รู้สึกระลึกได้ ได้มีสติเป็นที่ตั้งไว้จะเป็นตัวเฉลยทุกอย่างเป็นทักเตอร์ตัวเฉลุยยกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจได้หมดเปลี่ยนได้หมดกอนเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สติให้เป็นสติแล้วเปลี่ยนได้ทุกเรื่องทุกเราว อรเกิดขึ้นมากัรูจักตัวรูจักตัวตกับวารู้จักตัวมีสติไปในกายเป็นประจำจะได้เห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นใีกายเป็นที่ตั้งของกายมางมายเหมืนเคยใช่กาย ให้เป็นเลีต่ตัณหามันเคยใช้กาอให้เป็นสุขเป็นทุก น, นันหละจจะเป็นงานปฏิบัติต้อ ต, ตอบตัช่วงถ้ามีสติก็ไม่ต้อนรบถ้ามีสติก็บอกึ้นบางถ้ามีจติก็เปนที่ให้อาศัยถ้ามีสติก็มีค่าเพราะติมีค่ากว่าความสุขความทุกข์ เรยตัง้งมากลับมารุกจากตัวจงกายสุบว่ากาย <c oughs> นี่จบลงไปจบลงไปอะไรเกิดขึ้นกับสัตวว่าเหตการณ์ที่เกิดขึ้นกับกายว่าใช่ตัวเช่ตนเราไม่มีสติจะเกิดพบกิดชอบจูกับเรื่องของกายมากวายเป็นตัวเป็นตน เนี่ยตัวเมตตจนก็แล้ก็เป็นชาติไปอุปทานเนื้ขันอุปทานหนขันเหตเราแล้วไเป็นผู้สุขผู้ทุกข์นึกว่าเราซะแล้วอุปาทานยืดมันบางทียึดเดิมแม้กระทั่งสิ่งที่ผิดว่าเป็นตัวเป็นตน้นเป็นความโกรธแล้วกูได้โกรธไอ้กูไม่ลืม มันและอุปาทานยึดเอาทอมทอมความโกรธได้สําเร็จถามถามความทุกข์ก็ได้สําเร็จทอมถามความละความเจ็ดชั้นได้สําเร็จถูกความโกรธหลอกถูกความละความชังนหลอกเสียงผู้เสือคนถ้มีสติจะได้ไม่วหวจะได้โ ต, ตอบทักท้วงกับมาตั้งไว้กับมือตั้งไว้ บอกที่บอกที่กลับมากลับมากลับมาไม่ไปกลับมารู้สึกตัวได้ความรู้สึกตัวจากความหลงด้ความรู้กตัวจากความทุกข์ด้ความรู้กตัวจากความุด้ความรู้กตัวจากโกรธหลง มีตรงกันข้ามอย่างนี้จึงปฏิบัติได้ให้ผลได้ผู้ปฏิบัติย่อมรู้เห็นใมสมควรโจรผู้ปฏิบัติตามมีจิตติยิ่งเรามีวิชากรรมฐานนั่งอยู่คู่เฉนเข้าเหยี่ยวฉินออกมีจิตติคนนี้ สัมผัสกับควารู้จักตัวเอ้คอยไปต่อโอ้คงรู้จักตัวเงาจิตใจไปต่อโอ้คงรู้จักตัวเรี๋ใดที่มันเกิดอะไรขึ้นกับเมธที่มันคิดไว้กลับมารู้จักตัวอย่าไปตามความคิดดึงไป ความรู้จึกตัวซะความคิดที่มันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นพลังแห่งความรู้สึกตัวได้ประโยชน์กอความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคือการเคลื่อนไหวของจิตความคิดเป็นทาวารของจิตจิตจริงๆไม่มีอหลักแต่มันเป็นคู่ของจิตเพื่อบังคิดไป ซุกสนไปติดอารมณ์ไปเป่อเพื่อ น, <c oughs> น, นกับาการต่างๆซะก็ปล่อยไปดังเดินไปจจิตที่เศร้าหมองปล่อยเป็นนิสัยอาว้าจะ ร, ริดโตศสตรจะริตโมหะจะริดอะไรอะไรออกได้ความหลงออกได้ ตาเห็นลูกเด็กผมหลงกลนาพอใจไม่พอใจผูดทียังเสี่ยงกับผมหลงหน้าชอบไม่ชอบจมูกได้ยืนนินได้ร้อนกับสมบัติฮิตกันมาก็ให้ผมหลงเป็นผู้ต้อนรับมาสู่ที่จิตจิตก็เปิดเฟื่อนไปเรื่อยๆจากจิตที่บริจุดเป็นจิตที่เปิดเฟื่อนเศ้าหมอง อ๋ออากัรโุก็คืออารมมันจรมาอาศัยอยู่เรื่อยๆจนเสียสภาพดูลของขวังของกิดกลาเป็นกิจที่ไม่แต่กิเลสตัณห า, า, าละค่ะเลาโฟล่งสติที่เราปฟล์อยู่นี่นั่นเป็นผู้ดูแลกายใจ เป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจเมื่อสติเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจแล้วกยใจก็ปลอดภัยไม่มีภัยเดา๋ยวทำทิงที่ไม่ถูกให้ถูกต้องสลหลงเกิดขึ้นมากายเปก็กลมลู่หลงสองข้างลู่สองข้งหลงสิบข้างลู่สิบข้าง ูร้อยหลงร้อยครัง้งรูร้อยครัง้งรูเท่ารู้ทันอย่างนี้มันก็ไปไป่รอดมันก็จบลงได้เป็นความหลงคาจุดท้ายได้เมื่อมีความหลงคาจุดท้ายความโกรธความทุกข์ความโลภก็สัมทนไม่เต็มที่ ตัวหลงในภาวะคือหลงเนี่ยมันเป็นอกุศลมาทมตรง ก, กับความรู้พอดีง่ายๆเห็นทุกคนมันมีตัวหลงองนะแต่พาะที่หลงเกิดขึ้นมาก่อนจึงเป็นจุกเป็นทุกข์เป็นปโดโลกหรือว่า ชอบไม่ชอบวิธีปฏิบัติทำนี่มันจริงช่องแคบผมช่องแคบที่ทางขาน <c oughs> หน้ามูอืองหลนนี่ะสุดีเป็นปมบาการเป็นใช้วงที่ดีเป็นกำลังผลที่ดี ว่องอยู่แล้วเกิดขึ้นกว่าจะรู้ถ้าเป็นนกรบก็ไม่ใช่ชนะทุกท่านรู้อันเดียวตอบข้าฉึกได้จุนวนมากยังเป็นเรื่องที่ไม่ยากมีสติดึง สิ่งที่เกิดขึ้นแลดึงมาเกิดความรู้สึกตัวสิงที่เกิดขึ้นอดใจดึงมาเป็ น, น, นว ค, ความรู้สึกตัวไม่เกิดความปกติปกติคือว่าของนายของจิตขั้นจิตถูกพัฒนาพัฒนาดึงกัก บ, งบมาสติเป็นตูดึงกับจับมัดหช่วยยกเข้าผู้แขงเข้าอยาาอแขนอกรูจ้จึตัว คอเป็นความรู้จักตัวได้อย่าหาคําตอบจากความคิดเวลาปฏิบัติให้เป็นการปฏิบัติล้วนๆให้สัมปัตตกับความรู้จักตัวล้วนๆรู้จักตัวกลับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัวปรับมารู้จักตัวกลับมารู้จักตัวอยู่นี่ 1. นาทีสีงน่งนาทีหนึ่มมงชั่วโมง2องชั่วโมงไม่เจะได้ประสบการณ์เรื่อง การปฏิบัติมากมายยายามวิจัยทาให้เยื่อพลายดีๆสัมผัส ด, ดีๆ ด, ด้านดๆก็สัมผัสไม่ดีหลงก็ไม่มีรสชาติลูกของไม่มีรสชาติจนๆดื้อด้านจนขายด้านใจด้า น, า น, นจะมีเจตีให้ดูดีๆ สองภัตคือความหลงสองภัตคือความรู้จะรู้จากเรื่องสองภัตคือความรู้สมบัตคความทุกข์สมัตคความโกรธจะไปตัดต่อนี่ไม่ใช่ตใสติดให้สองภัตให้ดีๆแต่ว่าเอากายไปต่อเอาสติเอาเจาไปต่อเอาสติให้ให้เหมือนติดให้มันคุ้นกันตึกขับไปใหม่ ก็ต้องพอสุควรถ้าหัดเป็นแล้วมันจะช่วยตัวมันเองจิตดูจิตกายดูกายในตัวมันเองก็มีหลงก็มีไม่หลงตรงกันข้ามก็มีทุกข์ก็มีไม่ทุกข์ก็มีเท่านี้เป็นคู่เท่านี้สิ่งที่เกิดกับวากับใจมีคู่บวกคู่ลบหรือว่าอารมณ์ หรือใจเรื่อว่าบวกเสีอใจดรื่อว่าลบสุขดรื่ว่าบวกทุกข์เรืว่าลาบาลมันเป็นอาการที่เกิดกับนากับการอยากเอามันมาเป็นตัวเป็นต้นนั้นมีสติเวลาเราปฏิบั ต, ตจะไม่ลดชาติได้ลดพระธรรมได้ลดอย่างนี้จะดูหมาลูกของเทียนที่ไม่ท้อถอย มีรสชาติดูดด่มยิ่งเรามีรสชาติเราอยากเข้มมันจะเกรงขวมหลเลยจะได้เปลี่ยนให้เป็นทัามรู้สมดั้มเด้าอยากเนขนมความทุกจะได้เปลี่ยนให้เป็นความรู้สมนมหน้ามันมันรู้ได้มันมันไม่ใช่ที่จะทุกข์เป็นทุกข์สมนักไป ธรรมชาติของกายของจิตมันมีธรรมชาติตื่มๆเหมือนร่างกายของเราเมื่อมีไรมากัดมก็รู้จักเจ็บรู้กช่วยตัวันเองความเก็บไม่ใช่ตายต้องมีเหตุปัจจัยเหตบกัดหูกบางที่ตาไม่เห็นแต่รู้ว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่ปกติเอมือไปจับดูเป็นเป็นเห็บมันบอกผิดบอกถูกในทักขมันแต่ช่วยมันสัญญาณภายัยความหลงเป็นสัญญาณภัยที่เกิดกับกายกั บ, กบกจิตมันจะปล่อยทิ้งมาได้ถ้ามีสติความทุกข์มันเป็นภัยต่กา ย, กายกต่อจิตจะทิ้งความทุกข์บรรยากาศในจิตไม่ได้ ทีเดตอนหาเป็นไฟต่อกายตอกจิต <c> ่ย <oughs> ิ่งมันทิ้งวรรในการได้ใจไม่ได้มันจะเป็นการงานชอบเมื่อมันทำอย่างนี้ถูกต้องก็ถูกไปอย่หลายอย่างขณะที่หลงกลายเป็นความรู้เกิดล้วตรงนี้แล้วเกิดเป็นละความชั่วทำความดี ขณที่มีสติละความชั่วทำความดีขณะที่รู้จักตัวอยู่นี้่ละความชั่วทำความดีผลการกระทา <c oughs> เป็นกรรมตัดกรรมได้ตัดเวน้นตัดกรรมได้ทำบุญความหลงเป็นบาปความรู้เป็นบุญควมทุกข์เป็นบาปความรู้เป็นบุญ โดยละบาปได้ทาบุญเมื่อทําไปทําไปก็มีกุศลฉลาดฉลาดรู้โดยความฉลาดจากความ ง, งู้เขาได้ปัญหาได้ปัญญาจากปัญหาปัญหาเนีเกิดปัญญาปัญหามาเกิดที่กายที่ใจหรือบ่ากายสังขารจิตสังขาร รวมรอบรูปในสังขารเหล่านี้รู้หมดหรือ ว, ว่าปัญญานี่คือปัญญาพุท ธ, ธะไม่มีที่ไหนที่เกิดปัญญาพุท ธ, ธะแบบนี้ได้นอกจากมามีสติศึกษาเรื่องการืั้งใจนี่ใจเป็นตาลาเล่มใหญ่สติเป็นนักศึกษาดูอยดูป่ปเอาไหนดูกไย จะได้เห็นอะไรต่างๆมากมาเป็นสูตรเป็นธรรมเป็นวิันปฏิบัติตามธรรมตามวิไนรวมหลงไม่เป็นธรรมผมไม่หลงเป็นธรรมเป็นวิันมีวิันเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องก่อเรื่องใจเมื่อปฏิบัติตามธรรมตามวิไน ถึงที่สุดเหมือนแฝดางคือพ้นทุกสิ่งทุกอย่างในสมัยตอนต้นพุทธกาลมีแต่พูดมีแต่จัดอย่างนี้จงเป็นภิกษุเมาเถิดทําไม่ไหนเราจัดไว้ดีแล้วสอนได้ดีแล้วหมกดีแล้วปฏิบัติตามทำไม่ไหนนั่นเถิดจะพ้นจากทุกท้องทวงได้ในฉบับช่องหนังสือ เห็นว <c ười> <c ười> ิ่ไหนจบสองนอญยืดข้อเวลามุกเดิมเดิมเลมุกเดิมสอะทำเช้นโทว์เมุกดิมทำเช่นเอกเห็นจบแต่ยังโกดยงทุกอยู่ เรียนที่ตัวเรานี่ทำไม่หนาความหลงไม่เป็นธรรมความรู้จิกลัวเป็นธรรมหลงที่ได้รู้ที่นั่นหรือว่าวิธีไหนของชีวิตจิตใจปฏิบัติอย่างนี้เป็นวิธีไหนมันก็เป็นพรมัจันบริสุทธิ์ไม่ได้คิดก็ไม่ได้คิดก็บริสุทธิ์ต้องกิดงานให้ความคิดตั้งใจคิด คิดจึงใด้มิสติเป็นเจ้าของจับความคิดมาใช่จับจิตมาคิดเพูดด่อใช้ไหวาจาบพูดจะตาใช่ตาใช่หูเครื่องมื่อให้เหลใช่สำเร็จประโยชน์สร้งรักส่องผลรูปกายรูปธรรมนามธรรมนี่มันเป็นมักเป็นผลอาศัยที่ตั้งให้เกิดมากเกิดผล ก็ไม่ใช่ไอ้มีที่ตั้งใหเกิดสติมันเกิดมากเกิดข้ไม่ได้เราก็เกิดเจ็บเจ็บตายไปชั่วบ่อยมากกว่าถ้าหลงเป็นหลงไปชั่วบ่ายถ้าหลงเป็นลูกไปชั่วจุวกติเแยกท้งกันตรงนี้ ถ้าหลงเป็นหลงเป็นคนคนประชูอบายตกต้องโลกมากที่สุดถ้าหลงเป็นรูปเป็นมนุษย์มนุษย์ประชชยุกติสร้างรักสร้างขลได้โวราณท่านเตียบคติสองอย่างนี้ถ้าหลงเป็นหลงไปตกอกบายเท่ากับขนโคถ้าหลงเป็นรูปไปตกอบายเท่ากับเขาของโค สองเขาต้อเดูหน่อง น, นิดหน่อยต้องเอาดีๆหน่อยเราต้องช่วยตัวเองให้ดีที่สุดวิธีช่วยตัวเองก็วิชากรรมฐานนี่เราก็มีเพื่อนมีมิตรมีชสามที่มีกรณยาณ น, นมิตรจะไม่พาหลงทิศหลงทาง พูดฟังบ้างปฏิบัติเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดก็พูดสอนตัวเองปสัมผัส ด, ด้วยชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติ <c oughs> ตอนเขาพ้นราวะเดิมนีวิชากรรมฐานเป็นวิชาศักดิก์สิทธิ์ตัดเป็นตัดกมชินกมไดจ้จริงจริงนะเธอใครจะเป็นยังไงมา อย่าไ ป, ไป ท, าาทุกขงงวิุตกังวลเศร้าหมองอะไรคิดไปข้างหน้าคิดกลืนข้างหลังแนั้นมันไม่มีประโยชน์ให้มีปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ให้มีจิตนี่ที่จะตัดเบนตัดกรรมได้เมื่อแต่คิดอยู่ตัวคิดก็เป็นกรรมแล้วกรรม หลายเลขหนึ่งคือครัวคิดเนี่ยร่างกายเป็นหลายเลขสองรจาเป็นหลายเลขสองตัวคิดเป็นกำไยหลายเลขหนึ่งมีสติตัวนั้นที่จะเห็นเหมือนปรบตัวคิดแต่กดหลายครั้งปรับแต่เรื่องร่างกายของเฉยร่างกายของหว่าจ่าเลยไม่ปรับ ความคิดปฏิบัติรมันเล่นงานกับความคิดมีสติจะตอนนั้นที่เห็นความคิดจนกวาจะได้เย็นทางหูกอยที่เห็นทางตาอยู่แต่ความคิดไม่มีใครเห็นคนอื่นก็ไม่เห็นผู้มีสติต้องเห็นความคิดที่มพิเกิดขึ้นจากจิต บางที่ไม่อยากคิดมันก็คิดนั่นแหะมันเคยกินมันเป็นนิสยัยไม่เคยถูกอบกหลงสงสอนหยุดความคิดก็หยุดไม่ได้แต่สุดเป็นทุกความคิดคิดกินมาน้ําตาไหลคิดกินมานอนไม่หลับคิดกินมาปืนเข้ามาลง คิดมาโกรธโลภหลงคิดมาเกิดจิเดือดจังเถอะต่อวันความคิดเมแต่บอบแต่กลมคิดทางดีไม่เป็นคิดเป็นกับฝืนเต็มที่ชอบไหลไปทางต่ำๆไหลน้ำไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำกิจมันเชื่อม การลูกจักตัวเป็นการยกกิดขึ้นเหน่อลูลูอะไรเกิดจากความคิดลูกจักตัวกับมาเอากรรมาฐานช่วยกลับบางกรรมม า, ายิ่งดีได้ประสบการณ์ได้บทเรียนดีก็มีลูกก็คิดอย่างคนมีลูกก็มีเมียมีผัวคิดแบบคนมีเมียมีผัว ก็มีหมามีแมวคิดแบบว่มีเหมือเห็นองตัวหนึ่งมาขออยู่ด้วยเนีอมหมามาอแมวมายีส24ตัวยี่สิบสัวรถสองคันมาส่งกันลังวางแผนช่วยอยู่นี่บ้นนึกไปดู เ่จะไปซื้อหาครยมื่อขังห่าขังแมวเมื่อบอกเราก็บอกว่าไม่ไม่ห้ความเห็นเราจะบอกวความเห็นก็คือให้ปล่อยมันไม่มีความเห็นใดที่จะให้ห่าขัง หรือไม่ใช่นั่นก็สร้างบ้านชื่อบ้านให้มันอยู่สักหลังนอกจากพัดลมให้ที่ครับที่ถ่ายให้มันมันนก็ยังไม่ชอบหมาไม่ชอบหมามชอบธรรมชาติแมวก็ชอบอยู่ธรรมชาติมีต้นบางไงปีนบางมีถ้ามีรูมีที่ มืดที่แจ้งบางคิดคนมีแมวิดคนมีแมวคนมีหมคิดแบบคนมีหมาคงไม่มีอะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วมันทําเฉยในลูกก็มันลูกมันคิดไปเฉยไม่ใช่ความคิดเพราะมีลูกพรความคิดมีลูกคิดถึงลูกก็ต้องเป็นคนดีคิดถึงเมียถึงผัวก็ต้องเป็นคนดี ที่ถึงพ่อถึงแม่ต้องเป็นคนดีไม่ใช่ความคิดเฉยเฉนั่งอยู่นี่หรือรีบบ่สูบทุกข์อะไรไแบบทุกข์อยู่แต่ว่าไม่มีค่าอะไรในความคิดยังไม่ตอบบุญแทนคนขวัญแม่แต่ถ้าเราเป็นคนดีแล้วนี่แหละคือตอบบุญแทนคนขวัญแม่ไม่ต้องไปคิดอะไรเอาวนอะไร ตกปกตัวเอนี่ลูกชายของโ่อของแม่นี่ลูกสาวของโหแม่เดินจงโกงอยู่นี่นั่งสมาธิยุบเมือขึ้นไหวอยู่นี่อยากทําอ้าแม่อยากเดินยังคงให้ค่อยแม่ดูเราทำดีอยู่เนี่นมันคิดว่านี่ประโยชน์อะไรมันจะทำให้ตัวเองหลงเจ้าหมอ านใจทำความดีในใจรู้จักตัวคิดที่ไดกับหมารู้จักตัวคิดที่ดกับมารู้จักตัวให้เป็นความรู้จักแล้วประสบ ก, การณ์มากกว่าคนมไม่มีแม่ไม่มีหมาว่าจะคิดไปทั้งอืนมากกว่าเราเด้ประโยชน์จากมันมีลูกทิ้งลูกบวบวดประทษ เาทิ้งรูมวชแมันจมเจเลยหรือมันเป็นอย่างนี้หรือมันโจรตัวงเหมอทิ้งเมีย ม, มาบวชมันจะเป็นอย่างนี้หรือโจอทิ้งเธอเลเป็นประมาณิ่งทิงแม่มาบวชเดชี่อแม่หลังซื้อฟ้า น, น้าชื่นอยู่ที่บ้านลูกชายมาบวช ด, ด้วมานอนกลางวันตาตูกตาโข อ, อยู่ดิอู้จบล้วนา ทำไมล่าทำไมป่าลุกคฟิร์นที่นทำไมจะย้อมเหม็นเทียนยิ่งเราอยู่ที่นี่กนนักปวยเรา้ป็นผีบาดเขายกขาดเข้าใส่หัวก้อนเข้าลงจะได้บาดเราจะมาคิดชั่วพูดชั่วมาอยู่เป็นผิดฉิมที่ดทำอยู่ทด้ยงไงโจรเราที่สูกฝนบ่นบาด่วย าโยมหลอกรวงของมีวิชากงรมฐานเชที่ตกคุณนชนคนเข้าสู่น้ำเตือนของญาของโยมใจหวอนที่ชมำใจไม่ได้ซื้อญาชโยมเชื่อม า, ามันเป็นโจทย์ทำไมเราไม่ประมาณจะมาเล่นเล่นอยู่ไม่ได้เราจึงมีจุตสีหนึ่งเพียงขอ ด้อยวิชากรรมฐ า, านเป็นวิชาที่สุดยอดของชีวิตลราของกายของอยเพื่อฝกตนสอนตนลองดูซช่หรือไม่หลมีเสน่หนเหมือนกันกรรมฐ า, านนี้ทำให้พ้นภาวะเกา่เกาไม่เหมือนเ ก, าก่าุกมูอไว้ตัวเองได้ในบางอย่างเตได้เปียนหลงเป็นรู้ เปลนทุกคนลูกถกมือเพื่อนไปเป็นมาเมื่อทำหน้านี้ก็คิดถึงพ่อถึงแม่จากไปบอกพ่อไม่อยากไปบอกเลยเคยหลงไม่หลงเคยทุกข์ไม่ทุกข์เนี่ยเคยโกรธไม่โกรธเนี่ยเราจึงคิดถึงคนอื่นอยากจะช่วยคนอื่นคนไหนที่ไม่ทุกข์ขอเป็นเพื่อนคนที่มีทุกข์ คนไหนที่มีปนญหาขอ เ, าเป็นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนมีทางออกมีทางออกจะไปจนใจบางที่มันจนใจตัดทิ้งใจไม่เป็นบางทีก็เสียดายฆ่าตัวตายโดดตึกตายมันมีทางออกขอเป็นเพื่อนสนิท ม, มาฝึกกรรมฐานนี่ ม, นมาฝึกกรรมฐานนี่ ที่ไม่ตรงเช่า้าไว้ตรงซื้อึงมเป็นเพื่อนกันถึงแคได้ป่วยดูแลรักษากันตามธรรมาตามความสามารถนี่นี้จะเพื่อนกันตามวันเช่าํามวัเนเจ็นขอทยายพระสูตรใ น, นแบบพุทธศาสนาค่ามไม่ล่มลื่น ไม่มีพริกมีผสาหลังพออยู่กันได้ก็อยากมนาะอยู่ปฏิบัติจะเก็บันเก็ดเดือนเก็ดปีลองดูนะออสมควรเฉยเวลาหมดเชียงแล้วก็สามวันก่อน